ขับรถไม่เป็นนะแต่คนที่ขับรถเป็นเนี่ยหลายคนจะมีประสบการณ์แบบนี้คือเวลารถติดแล้วก็รถมันค่อยๆขยื่นขยับทีละนิดทีละนิดแล้วเกิดมีรถเลนซ้ายเนี่ยเขาอยากจะเบียดนะอยากจะขอทางเข้ามาในเลนของเรานะถ้าเกิดว่าเราเปิดทางให้รถคันนั้นเนี่ยแสงแล้วก็เข้ามา อยู่ในเลนของเราอยู่ข้างหน้าเราเรามักจะรู้สึกดีนะแต่ถ้าเกิดว่ารถข้างหน้าเราเนี่ยทแบบเดียวกับเรานะก็คือเปิดทางให้รถทางเลนซ้ายเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในเลนเดียวกันเราซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนะแล้วก็อ จ, จะไม่พอใจคนรถคันหน้าที่เปิดทางให้รถเลนซ้ายนี่เข้ามา อาจจะนึกบนในใจว่ามีเมตตาแบบไม่รู้จักกาลเทศะนะเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเวลาเราทำเองเนี่ยเรารู้สึกดีแต่คนอื่นทำเหมือนเรานะเรากลับรู้สึกแย่นะอันนี้ก็มีคอยทีบายนะว่าเวลาเราเปิดทางให้รถเลนซ้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย มันเป็นการตัดสินใจของเราเองนะมันเป็นเจตนาของเรานะเราเป็นคนเลือกเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่รู้สึกแย่ yeah. ถึงแม้ว่าการทำเชนนั้นจะทำให้เรารอนานขึ้นไปได้ช้านะกว่าเดิมนะอีกอย่างหนึง่งรถคันที่เขาอา่มาเบียดแล้วก็เข้ามา อยู่ในเลนเราพอเราเปิดทางให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะยิ้มให้แสดงการขอบคุณนะเราก็เลยพลอยสบายใจเพราะอันนี้เหมือนกับเป็นรางวัลรางวัลที่เราได้มีเมตตาได้ทําความดีแต่ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราทําอย่างงั้นบ้างเนี่ยนะมันทําให้เรารอนานขึ้นทําให้เราไปได้ช้าขึ้น มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของเรานะแต่เป็นเพราะอยู่ในสภาพจำยอมนะขาเดียวกันรถคันที่เข า, าแส่งนะแล้วเข้ามาอยู่ในเลนของเราเวลาเขาขอบคุณเขาไม่ได้ขอบคุณเรานะเขาขอบคุณรถข้างหน้าเรานะที่เขาเปิดทางให้พู้ง่ายคือว่าเรารอรถ เราต้องรอนานขึ้นแต่เราไม่ได้รับรางวัลนะอันนี้แหละคือเพราะว่าทำไมนะเวลาเราทำเรารู้สึกดีแต่เวลาคนอื่นทำเหมือนเราเรารู้สึกแย่นะอันนี้ก็ใช้ได้กับเวลาเราเข้าคิวนะถ้ามีคนมาขอนะมาข อ, อเข้าคิวข้างหน้าเรา ก็จะรีบนะแล้วถ้าเราอนุญาตให้เขามาอยู่ข้างหน้าเราแซงเราเนี่ยเรารู้สึกดีเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองขณะเดียวกันเขาก็ขอบคุณเรานะเราก็มีความยินดีแต่ถ้าคนอื่นคนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเปิดช่องให้อีกคนมาแซงเนี่ยนะเราจะไม่พอใจทั้งคนแซงและคนที่ ยอมหลืออนุญาตให้มาแซงนะหาว่ามาละเมิดสิทธทิ์ของเรามาเอาเปรียบเรานะไม่เ้า่าเลยนะใจดีแบบไม่มีกาลเทศนะเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นี่มันก็น่าพิจารณานนะง่คิดอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นนะเช่นรอรถนานขึ้นเข้าคิวนานขึ้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราเราจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อ้อนใจกับมันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากการที่เราถูกอยู่ในสภาพที่จำยอมเพราะมีคนทำนะเราจะแย่ลองสังเกตดูนะไอ้ความยากลำบากเนี่ยถ้ามันเป็นความยากลำบากที่เราเลือกเองนะเราจะรู้สึกว่ามันทนได้เช่นเรียนหนังสือเนี่ยนะถ้าเราเรียน นะการบ้านก็เยอะแล้วเราตัดสินใจที่จะทุ่มเทกับมันอาจจะเป็นเพราะเราเห็นคุณค่าของมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเรียนเพราะถูกบังคับเนี่ยนะพ่อแม่ก็ดีนะหรือว่ า, าผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยเราจะรู้สึกทรมานมากออกกำลังกายก็เหมือนกันนะถ้าเราเป็นคนออกกำลังกายเองตัดสินใจเองนะ เลือกทำเองนะมันยากแค่ไหนเราก็ไหวแต่ถ้าเราถูกบังคับนะเราจะบ่นปอดแปะเลยทั้งที่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เวลาเดินธรรมญาตราเนี่ยนะเดินตากแดดหลายคนนะไม่เคยเดินแต่พอเดินตากแดดแล้วเนี่ยเขารู้สึกไหวแต่ถ้าเมตกาตามที่เขาถูกบังคับให้ต้องเดินเนี่ยเขาจะมีความ ทุกทรามานมากพอเดินธรรมญาตาแล้วบางทีนะก็ถอดรองเท้าคนที่สมัครใจถอดรองเท้านะเจ็บนะพื้นมันก็ร้อนทางมันก็มีกรวดมีหินแต่หลายคนเนี่ยนะจะทนไหวแต่ท่านพระเดชะก็ตามนะมันมีข้อบังคับว่าคนที่มาเดินธรรมญาตาทุกคนต้องถอดรองเท้านะอันนี้เป็นเรื่องแล้ว เจอความทุกข์แบบเดียวกันนะแต่เราทนไหวถ้าเราเลือกที่จะทําเราสมัครใจทําเองแต่ถ้ามันเป็นความไม่สมัครใจของเรานะเราจะบ่นจะโวยวายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวการที่เราตัดสินใจเองมันมีมันมีผลนะต่อความสามารถในการที่จะทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือมีความรู้สึก ด, ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าคนที่ป่วยนะแล้วก็ เจอทุกขเวทนามีความปวดหลายคนเนี่ยอยากจะได้ยาระงับปวดแต่ถ้าเกิดว่าบอกคนไข้นะว่าเนี่ยคุณเลือกได้นะว่าคุณจะทนก็ได้หรือคุณไม่ทนถ้าคุณไม่ทนหรือทนไม่ไหวนะมียาให้นะยาเนี่ยอยู่ข้างเตียงคุณทนไม่ไหวเนี่ยคุณกินเลยนะยาเนี่ยเราจะพบว่าคนคนไข่เหล่านี้เนี่ยจะมีความอดทน ตอบความเจ็บปวดได้นานกว่าแต่ถ้าเกิดคนไข่อีกคนหนึ่งนะหรื อ, อ ก, กลุ่มหนึ่งนะไม่มียาวางไว้ใกล้ๆนะคือต้องทนอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาจะทนไม่ค่อยไหวเขาจะเรียกร้องขอยาหมอเมื่อไหร่จะให้ยาอีกทีนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทั้งที่ความเจ็บความปวดนี่มันก็ระดับเดียวกันนะแต่ทำไมคนหนึ่งทนได้คนหนึ่งทนไม่ได้ ไม่ใช่เพราะว่าเขาปฏิบัติทําได้มากกว่านะแต่เป็นเพราะว่าคนแรกเนี่ยเขาทนได้เพราะว่าเขาเลือกได้ว่าเขาจะทนหรือไม่ทนนะอาการที่เขาเจ็บปวดเนี่ยนะเป็นเพราะเขายอมเลือกที่จะทนเขาไม่เลือกก็ได้เพราะเขามียาอยู่ข้างเตียงนะทนไม่ไหวก็กินยาแต่ส่วนใหญ่ก็จะทนได้นานนานกว่าคนที่ไม่มียาอยู่ใกล้ๆนะเพราะคนที่ไม่มียาอยู่ใกล้ๆเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาถูกบีบคั้มถูกบีบบังคับนะอยู่ในในเสภาพจํายอมที่ต้องทนเขาไม่ได้เลือกที่จะทนเองเขาก็เลยทนไม่ไหวใจสําคัญมากอันนี้ก็มาใช้ได้นะอธิบายได้นะเวลาถ้าเราต้องรอต้องเดินทางนานขึ้นเพราะว่าเราเปิดทางให้อีกคนหนึ่งเขามาแซงเราข้างหน้าอันนี้เราโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นทํานเนี่ยนะ แล้วเราต้องรอนานขึ้นอันนี้เราอยู่ในสภาพจำยอมเราก็จะทนไม่ค่อยไหวนะคราวนี้คนที่แนะนำเรื่องนี้เนี่ยคนที่อธิบายเรื่องนี้เขาก็แนะนำต่อไปนะว่าเวลาคนอื่นนะเขายอมให้ไอรถเลนซ้ายนี่มาแซงเพื่อได้มาอยู่ในเลนเดียวกับเขาเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกคุนเครื่อง ว่าถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ลองนะลองแผ่มุทิตาจิตนะว่าเออไอคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่เขาอนุญาตให้ลดเลนซ้ายมาแซงเขากำลังทำสิ่งที่ดีนะเขามีเมตตาและเขาก็กำลังได้รับสิ่งดีๆคือได้รับคำขอบคุณจากคันที่มาเบียดมาแซงนะก็ยินดีแทนเขานะ อันนี้มันก็ช่วยทำให้หายทุกข์ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อแนะนำที่ดีมากนะเพราะในเมื่อเราต้องรอนานขึ้นนะแล้วเราจะไปซ้าเติมตัวเองทำไมนะซ้าเติมตัวเองด้วยความรู้สึก ข, ขุนเคืองว่าถูกเอาเปรียบหรือว่าโมโหคนที่เปิดทางให้รถข่ข้างหน้าว่ามีน้ำใจนะแบบไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ย ไอคิดแบบนี้มันทุกนะเราทุกเองแต่ถ้าเรามองเออนะเขากำลังทำสิ่งที่ดีๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะการยินดีในความดีที่บุญได้ทำเนี่ยปัตตาโนมโมธนาหม่ไม่ว่าเขาจะทำดีในรูปแบบดใดเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานนะหรือว่ามีความเอื้อเฟื้อผู้อื่น หรือว่ามาทํางานเช้ากว่าเราตื่นเช้ากว่าเรานะขยันปฏิบัติกว่าเราอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปมองว่าเขาเกินหน้าเกินตาเราให้มองว่าเขากําลังทําดีก็อนุโมทนาให้บางคนนี่ไม่ได้นะถ้าใครขยันกว่าเราปฏิบัติทำมากกว่าเราตื่นเช้ากว่าเราจะคอมเมนเ์เาละนะเพราะอะไรเพราะว่าเขากําลังดีกว่าเรา เขากำลังดีเกินหน้าเกินตาเราไอตัวมานะมันไม่ยอมมานะนี่มันอยากจะดีอยากจะเด่นเหนือคนอื่นถ้ามีคนเด่นกว่าเราดีกว่าเราเนี่ยนะกิเลส ข, ข้างในมันไม่ชอบแล้วอันนี้เ้าเรียกอีโกอัตตาอันนี้เราก็ต้องระวังนะบางทีคนทำดีเราไม่ชอบทั้งที่ถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างเราก็มีความสุขนะอ่ะเราก็เตยมรับพร